ก็หาระวิพังคือการจำแนกหาระโดยพิสดารเนี่ยนะหาระวิพังนั้นก็คือการยกเอ่อหาระแต่หาะหาระเนี่ยนะมาขยายโดยยกพระสูตรต่างๆมาสแสดงส่วนหัวข้อต่อไปที่จะเรียนเรียกว่าหาระสัมปตะเนี่ยนะสัมปาตาเป็นการเรียนสัมปาตะสัมปาตาเนี่ยแปลว่าการประชุมหรือการรวบรวม เพราะฉะนั้นหาระสัมปาตะหมายถึงการรวบรวมหาระต่างๆไว้ในสูตรเดียวกันหรือแปล ง, ง่ายๆก็คือว่าในหนึ่งสูตรสามารถแสดงได้หลายหาระหรือยกหนึ่งสูตรเนี่ยแล้วเอาหาระหลายๆ ห, หาระมาแสดงดูเพื่อที่จะทบทวนว่าหาระคือหาระคืออะไรนะวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์เนี่ยนะว่าเมื่อยกหนึ่งสูตรขึ้นมาแล้วเราจะ หายหลงหายสงสัยหายเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์เท่าใดขณะเดียวกันก็มองเห็นช่องทางของการเจริญกุศลธรรมเท่าใดแล้วก็ที่จะละกุศลธรรมนี้มากเพียงไหนในข้อ52นะข้อ52ที่บอกว่าท่านประกอบหาระ16ไว้เป็นเบื้องแรก แล้วพิจาจรณาความเป็นที่สาของอัธนายด้วยที่สาโลจนะโลจนะนาแล้วแสดงพระสูตรคือพระบาลีด้วยอัธนายสามประการรวมทั้งรวมทั้งอะไรอังกุสะในไอตรงนี้เขายกมาจากอุทเทศแล้วขอไปยยกมาจากนิเทศนิเทศอยู่หน้าไหนมายกข้อความตัวนี้มาจากหน้าแปดเนี่ยนะยกมาจากหน้าแปดคาถาที่ยี่บสอง คำพูดนี่นะคำพูดที่อ่านไปเมื่อกี้ในข้อ52เนี่ยนะยกมาจากหน้า8คาถาที่22ที่บอกว่าพระมหากัเจยนะเนี่ยท่านปร ะ, ประกอบภาระ16ไว้เป็นเบื้องแรกแล้วก็พิจารณาความเป็นที่สาของอัธทนยด้วยที่สาโลจนะในแล้วแสดงพระสูตรคือพระบาลีด้วยอัธทน์สามประการรวมทั้งอังกุษะในเนี่ยนะก็คืออันเดียวกันนั่นเอง ในนิเทศแห่งคาถานั้นน่ะในที่ไหนก็บอกว่าหัวข้อนั้นเนี่ยเพื่อจะอธิบายหาระสัมปาตะหาระสัมปาตะก็คือการประชุมหาระนะนะยกตัวอย่างมาหนึ่งสูตรแล้วแสดงหลายหลายหาระด้วยกันบรรดาหาระ16นั้นนะหัวข้อใหญ่คือเทศนาหาระสัมปาตาเป็นไ น, นยกตัวอย่างประกอบว่าบุคคลผู้มีจิตอันไม่ได้รักษา ถูกทำลายด้วยมิจฉาทิฐิถูกถีนมิทธะครอบงำย่อมไปสู่อำนาจของมารอันนี้เป็นลักษณะของเทสน า, าระสมปะตะสมปาตะมาดูคำอธิบายจะได้เห็นว่าในคถาแค่สองบรรทัดอันนี้อธิบายได้หลายหาระด้วยกันคำว่าอารักขิตณจิตเตณะผู้มีจิตไม่ได้รักษา หรือจิตที่ไม่ได้รับการรักษาเลยจิตไม่รักษามเป็นยังไงปล่อยใจไปเรื่อยใช่ไหมปล่อยใจไปเรื่อยสุดแท้แต่ว่าใจมันจะถูกความโกรธพาไปก็ให้มันไปไปให้มันสุดๆเลยใช่ไหมถ้ามันโลภก็โลภให้มันสุดๆถ้ามันหลงให้มันหลงสุดๆถ้ามันเพลินก็ให้มันเพลินสุดๆไอประเภทอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่ไม่ได้รักษาจิตนะนะพระพุทธเจ้าแสดงอะไรคาว่าผู้อ่ ผู้ที่มีจิตไม่ได้รักษาคือคนที่ไม่รักษาจิตเนี่ยพ่อองค์อยากให้รู้อะไรแสดงถึงความประมาทนะว่าคนที่ไม่รักษาจิตเลยปล่อยจิตไปเรื่อยผู้ที่ปล่อยจิตนี่ก็คือคนที่ประมาทปกตินะถ้าจะปล่อยจิตเนี่ยปล่อยไปไปยังไงดีที่เรียกว่าประมาทนะถ้าว่าปล่อยจิตนี่ปล่อยอย่างไรปล่อยจิตไปตามราคะโทสะและโมหะ ถ้าราคาโทสะโมหะเป็นสมุทฐานเนี่ยนะมันจะเป็นสุจริญไหมบรผู้ที่ประมาทก็คือปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตแล้วก็ปล่อยใจไปในการมคุณทั้งห้ารูปสวยเสียงเพราะที่ตัวเองปรารถนาเป็นต้นลักษณะนี้แหละเรียกว่าประมาทคนที่ไม่รักษาจิตก็คือคนประมาทความประมาทนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความตายหรืออะไรนะคนที่ประมาทก็ชื่อว่าคนที่ ตายแล้วเนี่ยนะก็ตายจากอะไรตายจากกุศลถ้าตายจากกุศลถ้าจุติจิตเกิดต่อมาอะไรจะตามมาก็หมดเลยนะคเนี่เพราะฉะนั้นความประมาทนี่จึงเป็นเหตุแห่งความตายแล้วคนที่อยู่ในความประมาทนี่เขาบอกคำว่าเหตุตายเนี่ยนะตายชาติเดียวใช่ไหมไม่ก็บอกว่าทีในคถาธรรมบทอธิบายลักษณะว่าตายชาติแล้วชาติเล่าเขาเรียกว่าไม่เลิกตายอ่ะนะ ไม่รู้ว่าที่สุดแห่งความตายอยู่ที่ไหนตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแปลว่าถูกประหารแล้วแล้วเล่ า, เ, ล า, เ, ล า, เ, ลาเพราะอะไรเพราะความประมาทเป็นเหตุแต่ก็ยางว่านะจะ้บอกว่าชาติหนึ่งชาเออขอกับหนึ่งกลับเรามีกระดูกกองโตเท่ากับภูเขา เ, เวปุระบันพศเนี่ยนะเราจะต้องตายกี่ครั้งดีกว่าตายกี่ครั้งแล้วจึงจะมีกระดูกกองโตเท่านั้น พันคำว่าประมาทถ้าปล่อยจิตไปในบาปอากุศลปล่อยจิตไปในกา ร, รมาคุณถ้ายังขืนปล่อยอยู่อย่างนั้นตายอีกเท่าไหรเนอะจะตายอีกกี่ครั้งดีพันคนที่ประมาทคือคนที่ปล่อยจิตไปในบาปและอกุศลให้บาปอากุศลมันครอบงํากลุ่มรุมปล่อยไปในทุจริตทั้งหลายนะเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายอันนี้แหละเรียกว่าคนที่ไม่รักษาจิตมิชัติทิหเตนะจะ ถูกทำลายด้วยมิจฉาทิฐิคนที่ประมาทอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเนื่องจากว่าบุคคล น, นั้นเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าอย่างไงเห็นว่าอย่างไงเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อนั้นท่านท่านเรียกว่าถูกทำลายด้วยมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฐินั้นเป็นวิปลาสวิปลาสคืออะไรเป็นวิปลาสเนี่ยปกตินะวิปลาสมีสอย่างเนะ ตัววิปลาสจริงๆมีสาอย่างหนึ่งทิฏฐิวิปลาสสองจิตตะวิปลาสสสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนี่หยาบที่สุดปานกลางก็จิตตะวิปลาสละเอียดกว่าเพื่อนก็สัญญาวิปลาสวิปลาสเหล่านี้เนี่ยนะมีลักษณะอย่างไรวิปลาสวิปลาสแปลว่าวิปริตนะวิปลาสเนี่ยโดยสแปลว่าวิปริต วิปริตแปลว่าอะไรแปลว่ามันตรงกันข้ามจากความเป็นจริงวิปลาดมีลักษณะโดยถือเอาผิดเพี้ยนอย่างนั้นถือเอาโดยผิดเพี้ยนถามว่าวิปลาดนั้นทำอะไรให้คลาดเคลื่อน <uit> ก็บอกว่าทำให้ทำสามอย่างให้คลาดเคลื่อนทำสัญญาให้คลาดเคลื่อนวิปลาดนี่แหละทำจิตให้คลาดเคลื่อนทำทิฏฐิให้คลาดเคลื่อ น, ททอนวิปลาดนั้นทำให้คลาดเคลื่อนในอะไร ในอัตตภาวะวัตถุคืออุปาทานขันสี่ประการห้าปนระการอันนะอุปาทานมีสี่หรือมีห้าไม่ใช่หรอนะแต่วัตถุที่มันวิปลาสมีสี่อุปาทานขันเนี่ยมีห้าแต่วัตถุที่มันวิปลาสมีสี่วัตถุที่มันวิปลาสคือวิปลาสว่างามเที่ยงสุข อัตตาเนี่ยมันมันมันจะวิปลาสสี่ประการนี่แหละถามว่ามันวิปลาสที่ไหนก็คือในอุปาทานขันห้าความวิปลาสท่าทิถิวิปลาสนะมันจะขยายออกมาเป็นอันนี้นี่ยกเฉพาะทิถิวิปลาสนะทิถิวิปลาสจะขยายมาเป็นทิฐิสกายทิฐิยี่สิบถ้าเฉพาะทิถิวิปลานะมันจะขยายมาเป็นมิจฉาทิฐิมีวัตถุยี่สิบมีอะไรบ้างหนึ่งเห็นรูปโดยความเป็นต้น ตนอันใดรูปก็อันนั้นตนอันใดรูปก็อันนั้นย่อมเห็นตนว่ามีรูปตนนี่มีรูปเหมือนต้นไม้มีเงาเนี่ยนะเห็นรูปในตนรูปนีมันอยู่ข้างในตนรูปอยู่ในตนก็เหมือนกับดอกไม้มีกลิ่นเห็นตนในรูปแก้วมันีในขวดแก้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะหยดกระปุกอมสินนคล้ายๆนัะนะสรุปว่าพวกนี้เนี่ยสำคัญผิด อนะเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปอันนี้ก็เป็นทิฏฐิวิปลาสนะรูปมีจริงแต่ตนนี่มีจริงไหมไม่มีจริงรูปมีจริงแต่อัตตาไม่มีจริงความจริงมันก็คือรูปแต่มิจฉาทิฏฐิบุคคลสำคัญว่ารูปเป็นอัตตาเห็นอัตตาว่ามีรูปเห็นรูปว่าเป็นมีเอ่อเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาในรูป นนมิจฉาทิฏฐิกลุ่มที่หนึ่งะกลุ่มสายรูปถ้าสายเวทนาพวกนี้เห็นเวทนาโดยความเป็นตนเห็นตนว่ามีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาพวกนี้ก็สกายทิฏฐิทิฏฐิวิปลาสสายเวทนาถ้าสายสัญญาล่ะเห็นสัญญาโดยความเป็นตนเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนเห็นตนในสัญญา พวกวิปลาสสังขารก็เห็นสังขารโดยความเป็นตนเห็นตนในเขอไปเห็นตนว่ามีสังขารเห็นสังขารในตนแล้วก็เห็นตนในสังขารภาษายวิญญาณบอกเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณเหน within within ็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณพวกนี้ก็กลายเป็นสักการทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบรูป ذه, วิปลาสในรูปสี่ ในเวทนาสี่สัญญาสี่สังขารสี่วิญญาณอีก 4, สี่ 4, ก็คือขันห้าคูณสี่ก็เท่ากับยี่สิบนับรรดารูปและเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นในบรรดาอุปาทานขันเหล่านั้นเบื้องแรกรูปเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งวิปลาสว่างามแต่ปกติจริงๆแล้วรูปนี้ไม่งามถ้าใครสําคัญว่ารูปตัวเองงามจริงๆก็อะไรที่มันร่วงไปก็เก็บเอาไว้ ไปตัดผมก็เก็บมาไว้ด้วยตัดผมมาเก็บไว้เนี่ยนะก็ยังพอคิดพอทําใจได้นะแต่ถ้าเอาอยางอื่นออกไปแล้วเก็บมาไว้นี่คร น, นี้เดือดร้อนหมดเลย <Okay. S 1> ถ้าเล่าให้ฟังว่าหมอเขาถอนฟันบอกว่า <Okay. S 1> นี่ น, นหันมาดูฟันของคุณหน่อยที่บอกหมอว่าโอ้ยมันไม่ยอมหันมาดูฟันตัวเองที่ถอนออกไปเลยนะไม่ยอมดูเลยอะ่ะ น, นี่นี่ยางถ้ายางอื่นอีกต่อไปนะถ้าเอาออกไปแล้วเนี่ยถ้าจะเก็บไว้เนี่โยโหทําใจลําบากจริงๆ สรุปว่าจริงๆแล้วไม่งามน่ยนะแต่ก็พื้นฐานจากวิปรลาดใช่ไหมก็เลยว่างามอันนี้แรกนะเบื้องแรกคือรูปรูปเนี่ยปกติแล้วรูปเป็นที่ตั้งแห่งวิปปลาดว่างามเวทนาล่ะเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งวิปรลาดว่าสุขทั้งๆที่ว่าเป็นจริงแล้วมันคือตัวทุกข์น่นแหละแต่สาคัญว่าเป็นสุข ที่สมสัญญาและสังขารปกติแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งวิปลาสว่าเป็นอัตตาทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นจริงแล้วมันเป็นอนัตตาแต่พื้นฐานของวิปลาสสาคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาจิตจิตเนี่ยนะที่สี่เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งวิปลาสว่าเที่ยงทั้งๆ ท, ที่ปกติมันไม่ได้เที่ยงอะไรเลยอะไรจะเปลี่ยนเร็วเท่าใจไม่มีกแล้ว แต่ขนาดนั้นน่ะวิปลาสเข้าใจผิดว่าเที่ยงจนได้ธรรมะสองอย่างคือตัญหาและอวิชชาเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองจิตที่ถูกตัญหาครอบงําย่อมถูกทำให้วิปลาสคลาดเคลื่อนอเรียกว่าวิปลาสสองวิปลาสจิตที่ถูกตัญหาพาวิปลาสเนี่ยมีอยู่สองกลุ่ม เห็นว่างามในสิ่งที่ไม่งามเห็นว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์อันนี้อะไรพาไปตัณหาเนี่ยนะตัณหาเนี่ยมันทําให้จิตวิปลาสสองประการคืองามกับสุขถ้าทิฏฐิวิปลาสแะจิตที่ถูกทิฏฐิทําให้อ่าจิตที่ถูกทิฏฐิครอบงำย่อมทําให้วิปลาสคลาดเคลื่อนด้วยวิปลาสสองอย่างคือวิปลาสว่าเที่ยงแล้วก็วิปลาสว่าเป็น อัตตาทั้นพระโสดาบันเนี่ยละทิฏฐิวิปล า, าดได้ทั้งหมดไม่มีเหลือเลยณนะละทิฏฐิวิปล า, าดไม่ว่าจะวิปล า, าดว่าเที่ยงหรือวิปล า, าดว่าเป็นอัตตาพระโสดาบันเนี่ยละได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือปกตินะถ้าตัณหาทำให้วิปล า, าดก็วิวปล า, าดว่า coś. งามกับว่าสุขถ้าทิฏฐิทำให้วิปล า, าดก็วิปล า, าดว่าเที่ยงและว่าเป็นอัตตา บราวิปัสสนาเหล่านั้นที่ทีวิปรราัาสย่อมเห็นรูปที่เป็นอดีตโดยความเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในอดีตโดยความเป็นอัตตาคือสําคัญขันห้าในอดีตว่าเป็นอัตตาใช่ไหมถ้าสําคัญว่าขันห้าในอดีตเป็นอัตตานีมันจะมันจะมีเรื่องต่อไปอีกว่าเออสำคัญว่าขันห้าในอดีตเป็นอัตตาเอออัตตาเราเป็นยังไงตกลงอัตตาเรามีหรือไม่มีมันจะคิดไปแล้วเออเรามีหรือไม่มี ถ้ามีแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่ อ, ตอไปเนี่ยนะมันมันก็สำคัญว่าเป็นอัตราเสร็จแล้วมันก็เริ่มสงสัยแล้วก็สาวไปเรื่อยใช่บางคนเนี่ยไปอ่านอะไรนะอ่านเรื่องปุเพนิวาสานุสติยานพระพุทธเจ้าเล่าถึงขันธ์ห้าของพระองค์ที่เคยมีอยู่ในอดีตว่าพบนั้นเป็นอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเศรษสุทุกเท่านั้นมีอายุเท่านั้นจุติจากพบนั้นพบนั้นปจุปฏิสนธะิณพบนน ของเราไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณอย่างนั้นเราก็มีแต่ทิฏฐินี่แหละมีแต่ทิฏฐิวิปลาดว่าเราเราเราหรืออัตาอาตาอาตาเนี่ยนะเรานี่ยแหละเออในอดีตเราเป็นอะไรเออไอ้อดีตเรามีหอเอหรืออดีตเราไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่าเราเพิ่งเกิดลอยๆอยนั่นนี่ะเยเอะถ้าเรามีแล้วเราเป็นอะไรเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเออเราเป็นอะไรแล้วแล้วเป็นยังไง ผิวดำผิวเขาวเป็นต้นเวทนาสุขทุกข์เป็นต้นเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าเราเป็นยังไงเอ๊ะถ้าตายจากชาตินั้นเราเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปอีกเนี่ยนะดีไหมถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆก็ทิฏฐิวิปลาดนั่นน่ะไอ้คิดแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้คิดเพราะยิ่งคิดก็ยิ่งยิ่งเพี้ยนอ่ะนะยิ่งคิดยิ่งบ้าเนี่ยนะยิ่งคิดมากขึ้นยิ่งบ้ามากขึ้นเนี่ยนะก็เลยที่มาของ กลุ่มลัทธิผู้สร้างทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความคิดเหล่านี้นะก็จะเริ่มสําคัญว่าเอ๊ะหรือเราเพิ่งมีถ้าเราเพิ่งมีแล้วเรามีได้ยังไงใครสร้างเราขึ้นเนี่ยก็จะยกไปให้ผู้สร้างหรือเกิดลอยๆเป็นที่มาของอสัสตตตทิฏฐิเป็นที่มาของเอกัจสัสมาตตทิฏฐิเป็นที่มาของอมราวิเขปะทิฏฐิเป็นที่มาของอทิจัสมุ ป, ปันะทิฏฐิพันปุปพันตะทิฏฐิทิฏฐิที่อยู่ในอดีตนะ เราบอกว่าเออเนี่ยรูปในอดีตดเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตโดยความเป็นอัตตาเนี่ยที่มาของ18ลัฐดลัทธิด้วยกัน18ดลทัทธิเลยนะเกิดตามที่ปรารพวสัญญาของตัวของเออขาไปขันห้าของตัวเองในอดีตเนี่ยแตกตัวออกมาเป็น18ลทัทธิต่อไปวิปลาสเหล่านั้นตันหาวิปลาสย่อมยินดีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในอนาคตต่อไป ชาติหน้านะเอาเอารูปแบบไหนดีรูปสวยสูงตัวขนาดไหนนะเอาสุขแค่ไหนดีอาเวทนาเป็นอย่างไรสบายสัญญาแค่ไหนจําแม่นๆเอาสังขารเป็นยังไงดีวิญญาณเป็นยังไงดีเอาจิตชนิดไหนดีนะก็คิดเรื่อยเปืยต่อไปในอนาคตพวกคิดในอนาคตเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยตัณหาพาคิดเรื่องอนาคตก็จริง แต่ว่ามันตามด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ผสมกับตัญหานั้นเป็นทิฏฐิ44กลุ่มตามมาด้วยลัทธิมิจฉาทิฏฐิ44พวกนะลัทธิมันปุพพันตะทิฏฐิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิถืออดีต18ถืออนาคตอีก44บี่รวมเป็น62เป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิ62สิทิฏฐิหนี้เกิดจากการเห็นขันห่าว่าเป็น อัตตาพันการเห็นขันห่าว่าเป็นอัตตานั้นจึงเป็นสิ่งชั่วร้ายมากนะและใครคิดว่ามันมีโทษบ้างเออถ้าไม่ใช่คําสอนของพระอริยเจ้าเนี่ยนะถ้าไม่ได้อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าใครจะคิดนะว่าไอการคิดว่าเป็นอัตตาแล้วมีโทษไออัตตากับเห็นเป็นเป็นอะไรนะถ้าถ้าวัวก็ใช้เป็นอะไรเป็นตัวถ้าช้างใช้เป็นเชือกต้นไม้ก็ใช้เป็นต้น คนก็ใช้เป็นคนแล้วตกลงไอ้อัตากับมันต่างกันยังไงไอเป็นตัวตนนี่มันเป็นยังไงเป็นตัวตนเป็นตัวอ้าวช้างก็เป็นเอออะไรนะวัวเป็นตัวลิงก็เป็นตัวอย่างไงตนหรือสีก็เป็นตนยักษ์ก็เป็นตนตกลงไอตัวกับตนนี่มันเป็นยังไงเป็นตัวตัวไปก็แบ่งเป็นไงเออนี่เป็นอย่างงี้นี่เป็นอย่างงั้นอันนี้หรือเปล่าเรียกว่าอัดตัวตนตัวตนอันนี้มันเป็นข่าวความเข้าใจของกลุ่ม คือคืออะไรนะเป็นความเข้าใจผิดว่าเป็นอัตตาไนอะอัตตาตัวนี้คือชีวะปุริสะอย่างกลุ่มลัทธิที่ที่บอกว่าวิญญาณนี่มันล่องลอยใช่ไหมพวกนี้ถือวิญญาณว่าเป็นอัตตาแต่ว่าของคนแต่ว่าเรามาวิคิดคิดตามวิเคราะห์ตามนะนึกไม่ออกแล้วมันมันมันเข้าใจผิดอย่างนั้นได้ยังไงใช่แต่ว่าจริงๆแล้วลัทธิเหล่านี้มีอยู่จริงแล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดจริงๆความเข้าใจผิดเหล่านี้เนี่ย เป็นที่มาของลัทธิทิฏฐิหกสิบสองก็เนื่องจากสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาเข้าเอาแล้วถามว่าทําไมให้เห็นเป็นอัตตาแล้วให้เห็นเป็นอะไรแล้วง่ายมากแก้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแก้วิธีแก้นั้นแก่อย่างไรก็เห็นรูปว่าเป็นรูปเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาเห็นสัญญาว่าเป็นสัญญาเห็นสังขารว่าเป็นสังขารเห็นวิญญาณว่าเป็นวิญญาณพวกนี้ชอบโยงไงพราละโยงและยุ่งเลยโยงด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิว่าเห็นรูปเป็น ตนเห็นเวทนาเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณว่าเป็นตนพอเห็นว่าเป็นตนอย่างนี้ปั๊บมันจะเริ่มมีของตนตามมาพอมีของตนแล้วเป็นอะไรก็ให้รู้ว่าตนผู้นี้คือผู้มีอำนาจนะตนผู้นี้แหละเป็นผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้ที่ถูกอำนาจเนี่ยมีอำนาจอย่างอื่นมาสั่งอัตตาอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มโยงยิ่งโยงยิ่งยุ่ง พระพุทธเจ้าในถ้าเราคิดอีกในหนึ่งนะพระ อ, องค์แยกได้ยังไงวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมัะผู้ที่มีปัญญาเขาก็ เ, เห็นว่าเนี่ยคือขันธ์ทาคือตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐุปาทานเขาเลยเรียกว่าอะไรนะอุปาทานขันธ์ที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์เพราะขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐุปาทาน ทิฏฐุปาทานบ้างีศรพัตุปาทานบ้างอัตวาทุปาทานบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิพระพุทธเจ้าแยกออกว่าอะไรคือขันห้าอะไรคือมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิกับขันห้าเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือต่างกันมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นสังขารขันในจำนวนขันห้า อุปาทานนี่ก็คือตัวโลภะกับตัวทิฏฐิใช่ไหมโลภะกับทิฏฐิก็นับเนื่องในขันห้าโลภะกับทิฏฐิตัวนี้เป็นสิ่งที่ยึดถือขันห้าพระพุทธเจ้านี่แยกออกนะว่าแยกอุปาทานกับแยกอุปาทานขันห้าออกมาได้อุปาทานขันห้าแปลว่าขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแล้วตัวอุปาทานก็คือตัวทิ่ถุปาทานตัวที่เข้าใจผิด ความเห็นผิดในขันความเห็นผิดในขันตันหานี่ถ้าจิตที่ถูกตันหาครอบงามทำให้วิปลาสว่างามว่าเป็นสุขจิตที่ทิฏฐิทำให้วิปลาสสำคัญว่าเที่ยงกับอัตตาทิฏฐิวิปลาสพาให้คิดเรื่องอดีตตันหาวิปลาสพาให้คิดเรื่องอะไร คิดถึงอนาคตตัวในครั้งหนึ่งนะทิฏฐิวิปลาดพวกนี้ชอบคิดเรื่องอดีตตันหาวิปลาดพาให้คิดในอนาคตในสองอย่างนั้นนะนะตันหาและอวิชชาเนี่ยถือว่าเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นตัวที่ทำให้ใจเศร้าหมอง อ, อวิชชานี่มาอย่างไงอวิชชานี่มาจากมิจฉาทิฏฐินะเพราะมิจฉาทิฏฐินั่นแหละทาให้เรียกว่าอาวิชชา ตัณหากัวิชาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ใจเศร้าหมองจิตที่หมดจดก็ต้องเป็นจิตที่หมดจกจากตัณหาและอวิชชาจิตที่หมดจดจากตัณหาและอวิชชานั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อบุคคลไม่รักษาจิตเหล่านั้นถ้าไม่รักษาจิตให้ปลอดจากอาวิชชาและตัณหาอะไรจะเกิดขึ้นอวิชชาก็เป็นเครื่องกางกันกงก้นกกั้นแปลเป็นบาลีว่านิวอน อวิชาเป็นนิวรจิตของผู้ที่ไม่รักษามีอวิชาเป็นนิวร์มีตันหาเป็นสังโยชน์เครื่องผูกมัดอวิชากับตัญหาก็พาเร่ร่อนไปเดี๋ยวมันจะพาเร่ไปไหนเนาะพาเร่กับพาร่อนเป็นยังไงพาเร่ร่อนเดี๋ยวเหอะเดี๋ย ว, เ, ยวเลิกไปเรี๋ยว่าจะไปนะทั้งเร่ทั้งร่อนนะไปท่องเที่ยวไปบางคราวก็อยู่ในบางคราวก็อยู่ในนรก บางคราวก็สู่กำเนิดเดรัจฉานบางคราวก็สู่แดนเปรตบางคราวก็สู่แดนอสุรกายบางคราวก็สู่เทวโลกบางคราวก็มาเป็นมนุษย์พวกคราวนี้พวกเราเป็นนยังมีเราอีกนาะมีเรามาเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมแล้วคราวต่อไปล่ะคราวนี้เป็นมนุษย์แล้วคราวหน้าคราวหน้าเป็นอะไรดีนี่นะ ข่าวหน้าก็เป็นอันนี้จังทุกขังอนาตาเออถ้าอย่างงี้จะแจวแน่คำถามไ อ, อ้ข่าวหน้าเราจะเป็นอะไรดีนะคิดหาเลยนะคิดหาใหญ่แต่เชื่อไหมคิดไปยังไงก็มันคิดหาแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเฮยหาแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันหิวจริงๆเลยนะพระพุทธเจ้าว่าไงนะสุนัขถูกล่ามโซใช่ไหมคัดทู ล, ละสูตรอะคัดทู ล, ละสูตรสูตรว่าด้วยสุนัขล่ามโซ่ก็บอกว่าสุนัขที่ถูกล่ามโซ่เวลาจะวนเนี่ยนะมันจะวนอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่หลักที่มันถูกล่ามไว้นั่นแหละเวลามันเดินมันก็เดินใกล้หลักนั่งก็นั่งใกล้หลักนอนก็นอนอยู่ก็ที่หลักมันนั่นแหะชั้นใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่ยึดถือในขันห้าเนี่ยนะปล่อยให้คิดทั้งวันนะไม่มีแม้แต่วันเดียวที่คิดพ้นจากขันห้าคิดนะแต่ขันห่าว่าคิดหาเผื่อจะเจอความสุขจากขันห้าได้บ้างคิดหาความสุขจากขันห้านะ คิดหาความความงามจากรูปปัจขันคิดหาความสุขจากเวทนาขันคิดหาความเที่ยงจากวิญญาณขันคิดหาอัตตาจากสังขารขันทั้งหลายถ้ายิ่งปล่อยไปปล่อยไปมันก็จะคิดวนๆอยู่อย่างงี้แหละคิดอยู่ในขันห้าผู้ที่คิดแบบนี้แหละเรียกว่าคนที่ไม่รักษาจิตไม่รักษาจิตต่างจากผู้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานใช่ไหมสาวกของพระพุทธเจ้าทําอาการที่ตรงกันข้ามเหล่านี้หมดเลย สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานไม่มีวิปลาดว่างามไม่มีวิปลาดว่าสุขไม่มีวิปลาดว่าเที่ยงไม่มีวิปลาดว่าเป็นอัตตาถ้าท่านพิจารณาก็เห็นแต่ว่าขันในอดีตขันในอนาคตขันทั้งอดีตและอนาคตขันที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วในอดีตขันในอดีตคือวิชาและสังขารเป็นปัจจัยแก่ขันในปัจจุบันคือวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะ ภาษะและเวทนาเวทนาเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอุปาทานทํากรรมมพบพบเหล่านี้ที่เป็นเหตุก็เป็นปัจจัยแก่ชาติเนี่ยนะเมื่อมีชาติที่สุดก็คือชรามรณะที่สุดของแต่ละภพแต่ละชาติก็คือชราและมรณะท่านก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากองทุกกองทุกเหล่านี้ปราศจากผู้สร้างเกิดด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ถ้าทุกขเหล่านี้ไม่มีก็เป็นความสงบทุกข ปฏิบัติเช่นใดเนอจึงจะสงบทุกข์ก็ปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายและคลายกำหนัดจากอุปาทานขันเหล่านี้นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสงบทุกข์สาวกของพระพุทธเจ้าจะคิดอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเราเราต้องดูว่าเราเอ๊ที่เราคิดนี่คิดตามพระพุทธเจ้าอยู่หรือว่าคิดตามใครอยู่อันนี้ต้องมาทบทวนตัวเองบ่อยๆเลยนะถ้าถ้าคิดตามพระพุทธเจ้าอยู่คิดตามคําสอนอยู่ขณะนั้นมีสารณะถ้าไม่คิดตามคําสอนแปลว่า โอ้ยพึ่งตัวเองสิจะพึ่งพึ่งใครใช่ไหมระดับเราแล้วจะต้องไปพึ่งใครต้องเชื่อเราสิใช่ไหมดีไหมเอ้าก็เชื่อใจตัวเองเนี่ยใจไหนดีเอาแค่นี้แล้วแต่ว่าใจมานะมันพาก็ะเช้า อ, อยู่นั่นเลยนะมานะมันบอกอย่างงี้สิอย่างางี้สิมันไม่ได้ตันหาบอกเอออย่างงี้ดีกว่าทิธีบอกอู้สู้มันอย่างงี้ดีกว่าอย่างเง้นก็แล้วแต่ตันหามานะทิธิมจะพาไปาเพราะตัวขยายวัตต์ใช่ไหมก็มีแต่โครงการที่จะขยายวัตต์ สรุปอยากให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าคิดแบบไหนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคิดแบบไหนเป็นสาวกของกิเลสมารเนี่ย น, นะตอนไหนเป็นสาวกพระพุทธเจ้าตอนไหนเป็นสาวกของมารพระอรหันต์ท่านบอกว่าท่านเลิกบำเรอ ม, มารและท่านบำเรอพระพุทธเจ้าบำเรอพระพุทธเจ้าผู้ผู้ ก, กําหนดรู้ผู้ละผู้ทํำไม่แจ้งและผู้เจริญเนี่ย น, นะเรียกว่าพุทธพุทโธ ท, ท่านเป็นพุทธสาวกใช่ไหมพุทธสาวกสาวกก็คือ ผู้ที่ฟังฟังแล้วทากิจในอริยสัจสี่ผันแนวความคิดของอริยาสาวกเป็นแนวความคิดเป็นทิฏฐิที่น้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจสี่ถ้าสาวกของพญามาณน้อมไปเพื่อวิปลาสสนะก็แยกเอาว่าเราเป็นสาวกของใครผู <c oughs> ้ทังสรารนาังกัจฉามิอโศภาสมาทานต้องบ่อยๆนะสาวกพระพุทธเจ้าสิเนี่ยนะพะพูดถึงยางไงนะอยู่พักไหนยงไ คำว่าทีนะมิธาพิภูเตนะถูกมิทีนะมิธะครอบงำํำแล้วใช่ัหมพออะไรนะพอจิตไม่ไม่มีอะไรนะบุคคลผู้มีจิตไม่ได้รักษาถูกมิชาทิฐิครอบงํำหรือถูกตัวเองเนี่ยถูกทําลายด้วยมิชาทิฐิอยู่แล้วก็เลยถูกทีนะมิธะครอบงํำทีนะคืออะไรความไม่สบายความไม่เหมาะควรแก่การงานของจิตนี่เรียกว่าทีนะจิตป่วยแล้ว ความหดหูท้อถอยของนามมาทำทั้งหลายคือเจตสิกเรียกว่ามิทธะถีนะทําให้จิตท้อแท้มิทธะทําให้จิตท้อถอยนะั่ทําให้เจตสิกท้อถอยจิตและเจตสิกท้อแท้ท้อถอ ย, อถอยเรียกว่าถีนะมิทธะออคิดไปคิดมาง่วงนอนดีกว่า อ, อพักผ่อนสักพักคงจะสบายเนี่ยนะใช่ไหมบายๆหน่อยเนี่ยโอ้จะได้พักผ่อนก่อนนะสบายเนี่ยนะเอา้ามันบอกอย่างงั้นนี่ใช่ไหม ใจก็ไม่ได้รักษาด้วยสติปัญญาเป็นต้นใช่ไหมวิปปาราสก็เล่นงานเอาเล่นงานเอาม็บอกว่าพักผ่อนสักก่อนเนี่ยนะนอนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็มีแรงไปต่อไปไหนแล้วก็จะได้มีแรงมีแรงเพื่อจะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปใช่ไหมบอกไม่ใครนะว่าใครเของมาอย่างถามว่าใครนะตั้งเป้าหมายว่าประทับเครื่องหมายให้ขันฮะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกทุกขันเลยจริงๆอ่ะนะ ไงไตรลักษณ์แปลว่าอะไรเราเลยว่าเครื่องหมายสามประการใช่ไหมปกติเราเราไม่ได้ค่อยเห็นเครื่องหมายตัวนี้ของสังขารเท่าไหร่ใช่เพราะเราไม่ได้ประทับตราแต่ประทับตราแต่ประทับตราแต่อะไรนิจจังตอนที่เจออนิจจังเราก็ยังน้อมไปหานิจจังแล้วเห็นแก้วแตกหรือเห็นหม้อแตกนะเราก็ไปนึกถึงไอ้ตอนที่มันเคยมีนึกถึงแต่ตอนสภาพที่มัน เคยมีถ้าเห็นใครป่วยนะนึกถึงแต่ตอนที่เขาไม่เคยตอนไม่ป่วยอะ่ะคิดถึงแต่ตอนที่ไม่ป่วยคิดถึงตอนที่มันมันดีๆเนี่ยนะก็พื้นฐานที่เนอะแม้กระทั่งเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องมองไปให้มันดีเสร็จแล้วก็มันไม่ดีจริงอย่างนั้นก็เลยเศร้าเลยทั้งเศร้าทั้งหมองอยู่นั่นเนาะนะคิดไปคิดมานะถ้าเราคิดเริ่มตามคำสอนนะเอ๊ะใครจะบ้านเราอีกแล้วนะนะวิปลาดจริงๆเนยนะเมื่อไรจะหายเนอะ ถ้าได้ดื่มโอสถคือมักอันประกอบไปด้วยองแปดนี่หายสนิทแน่เมื่อไรนะจะปรุงยานี้สําเร็จใช่ไหมโอสถที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ครบองแปดถ้าปรุงองแปดดื่มแค่สีแก้วแค่นั้นหลยหายสนิทเลยเนี่ยนะเพราะเป็นยาที่อาจเจียนบาปอากุศลยาที่อาจเจียนกิเลสได้แท้จริงนะพระองค์ยืนยันเลยนะครับอกว่ายาสำรอกในโลกนี้อาจจะมีอยู่จริงแต่ว่ายานั้นได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ยาของพระองค์คือมักมีองแปดนี่สิ เป็นยาที่ว่าโสดาปฏิมาคเนี่ยสำรอกสกายติทิวิจิกิจฉาสีลรพตาตรามาดได้แน่แท้จริงแท้แต่ยาคือสกัตตาคามิมักสํารอกการมราคาปฏิฆาอย่างหยาบได้อย่างแน่แท้อนาคามิมักขับสำํำรอกการมราคาและปฏิฆาอย่างละเอียดได้หมดเกลี้ยงอรหัตตมักสำรอกอวิชา สำรอกมานาสำรอกอุทธจะสำารกรูปราคะอรูปราคะได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยมันยาคือมรคองคแปกของพระองค์เนี่ยทำให้ดับทุกข์ดับโศกได้จริงๆทัวในครั้งหนึ่งเราอะผู้ที่ไม่ได้รักษาจิตปล่อยให้อ่ถูกทำลายด้วยมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิมาทำลายหมดเกลี้ยงแล้วก็ง่วงอีกต่างหากคนเหล่านี้ก็ไปสู่อนาจมาร ว่าสังมาราะสะคัจฉิเนี่ยนะย่อมไปสู่อำนาจมารในช่วงนี้แต่จริงนะเทศทันสมัยมากเลยนะตรงความเป็นจริงสูงมากนงเลยนะกเรียว่าย่อมเข้าสู่ห้องบ่อยๆว่างั้นนะพระสูตรก็บอกว่าย่อมเข้าสู่ห้องบ่อยๆจริงๆเนี่ยคัพโพตัวนั้นแปลว่าเข้าสู่คันบ่อยๆก็บอกว่าห้องนอนคือเหมือนกับอะไรนะกระท่อมแค่ว่ากลับไปกระท่อมหรือกลับไปบ้าน ก็คือคือท้องมารดาเขาเหมือนกันกลับไปสู่รังก็คือภริยาก็าเหมือนกันก็อยู่กับกระท่อมอยู่กับรังแค่นี้แหละมันก็ไปสู่อานาจของมารมานในที่นี้หมายถึงไปสู่อานาจของกิเลสมารกิเลสมารมาระนี่แปลว่าผู้ฆ่าใช่ไหมถูกกิเลสมันฆ่าเรียบร้อยแล้วเทวปุตตมานก็คือถูกเทวดานี่ฆ่าเรียบร้อยแล้ว จึงอยู่บุคคลที่ตกอยู่ในอำนาจของมารถูกกิเลสครอบงำย่อมมุ่งหน้าไปสู่สงสารไปสู่วัตตะสงสารวัตตะมีกี่อย่างวัตตะวัตตะวัะมีกี่อย่างสามอย่างกิเลสวัตกรร ม, มวัดวิปากวัตกรรมกรร ม, มวัดเป็นเหตุให้เกิดวิปากวัตแล้วอะไรเชื่อมอยให้กรรมให้มีผลน่ะก็กิเลสนั่นแหละเป็นตัวเชื่อมกรรมและให้มี ผลเนี่ยนะขยันมากเลยนะกิเลสเนี่ยเนาะก็กิเลสเชื่อมกรรมให้มีผลตัวนี้แหละเป็นลําดับขันธายตนะสืบเนี่ยนะอย่างเช่นกิเลสนั้นทําหน้าที่เชื่อมตาให้มีตาต่อไปใช่ไหมเชื่อมหูให้มีหูเชื่อมจมูกให้มีจมูกเชื่อมลิ้นให้มีลิ้นเชื่อมกายให้มีกายเชื่อมใจให้มีใจต่อไปเนี่ยนะเชื่อมพบจากพบเชื่อมชาติจากชาติเชื่อมกรรมให้มี คนต่อไปเนี่ยนะกิเลคนที่ถูกกิเลสครอบงำก็มุ่งหน้าไปสู่ขันธาตุและอายตนะไหลไปเนื่องจบตรงไหนนะโสดาปฏิมากรรมเนี่ยของเราจะเกิดตรงไหนดีเกิดตอนอายุเท่าไหรด่ดีเกิดชาติไหนดีนะนะอให้มันมันรู้ว่ามันมีที่จบบ้างสิมันไม่ใช่ว่าโอ้ตายไม่รู้จะไปไหนไปทําไมบอกไม่รู้อะรู้แต่ว่าต้องไปก็แล้วกันนะไปทําไมไม่รู้ไปก็แล้วกันตไปไปไ ป, ไป ผู้ที่ไปอย่างนี้นี่เลเรียกว่าไปสู่วัตตะสรุปว่าพระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้ไว้ได้กี่กี่สัจจะแสะดงสัจจะสองประการเอาไว้แล้วคือทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะคำว่าไปสู่อํานาจมารตัวนั้นเป็นสมุทัยสัจจะไม่ได้ไม่รักษาจิตถูกมิจฉาทิฏฐิครอบงาถูกถูกทำลายด้วยมิจฉาทิฏฐิทิฏฐีหน้ามิถะครอบงำอันนี้เป็น สมุทยสัจจะพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อทําปริญญาในทุกขสัจจะเพื่อละสมุทยสัจจะเหล่านั้น น, นะแสดงเพื่อการพระพุทธเจ้าแสดงอะไรผู้มีผู้มิได้ผู้มีจิตอันมิได้รักษาถูกทําลายด้วยมิจฉาทิฏฐิถูกถีหน้ามิถะครอบงาําย่อมไปสู่อํานาจของมาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อปริญญากับป่าหานะที่พูดนี่ไม่ได้พูดสนุกสนุกเ พ, พ, พลินไปนะไม่ เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ไหนสอนพ้นสัจจะมีไหมไม่พ้นพระพุทธเจ้าสอนเพื่อปริญญากับปหาณนะสอนเพื่อกําหนดรู้และการละสรุปพระองค์แสดงเพื่อกําหนดรู้ทุกขสัจจะแสดงเพื่อละสมุทยัทยสัจจะบุคคลใดย่อมกําหนดรู้ด้วยอรยยิยมรรคใดและย่อมละด้วยอรยยิอรยมรรคใดอริยมรรคนั้นเป็นมรรคสัจจะอะไรเป็นตัวกําหนดอะไรเป็นตัวละเอาอะไรไปทําปริญญาเอาอะไรเป็นตัวละมั่นแหละคือมรรคมรรคมรรคมรรค มรมรมีเท่าไรอริยมรอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรเป็นอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นคุณธรรมที่กําหนดรู้ทุกเป็นคุณธรรมที่ไปละสมุทยัยถ้าละตัณหาและอวิชชาได้นั่นแหละเป็นนิโรสัจจะเพราะมรคสัจจะที่ละที่กําหนดรู้ทุกจริงละสมุทัยได้จริงต่อเมื่อมรคสัจจะนั้นมีนิพานเป็นอารมณ์มีนิโรสัจจะเป็นอารมณ์ภัณสัจจะเหล่านี้จึงมี4ประการเพราะฉะนั้นพระองค์จึง ตรัสในคาถานี้ไว้ว่าผู้มีจิตไม่ได้รักษาถูกทาลายด้วยมิจฉาทิฏฐิถูกทีนะ่มิทะครอบงำย่อมไปสู่อานาจของมารเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามล่ะให้รักษาจิตถ้ารักษาจิตก็รักษาด้วยอะไรรักษาจิตก็คือรักษาอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้ที่ไม่ประมาทก็อบรมอยู่ในไตรสิกขาผู้ที่อบรมไตรสิกขาเจริญสติปัฏฐานสีเพื่อละวิปลาจิตที่ไม่ถูกวิปลาดครอบงำนั่นแหละ เป็นจิตที่มีสมถะและวิปัสนาจิตที่มีสมถะจะไม่สำคัญว่างามและว่าเป็นสุขจิตที่มีวิปัสนาจะไม่สาคัญว่าเที่ยงและเป็นอัตตาพันจะพิจารณาเห็นสังขารคืออุปาทานขันห้าในอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเป็นต้นพันผู้ที่มีสมถะและวิปัสนาอย่างนี้ก็กาจัดอวิชชาและกาจัดภาวะตัณหาก็จะไม่ไปสู่ วัตะเนี่ยนะจะไม่ไหลไปสู่วั ต, ตะผู้ที่ไม่ไหลไปสู่วั ต, ตะเพราะแทงตลอดธรรมที่สงบระงับดับวั ต, ตะได้สนิทคือพระนิพพานเมื่อแทงตลอดพระนิพพานได้ก็นี่แหละทำธรรมที่สุดแห่งทุกข์เพราะพระนิพพานเป็นอะไรนะนิพพานเป็นธรรมที่ดับวั ต, ตะเป็นธรรมที่สงบวั ต, ตะสงบสังสารทุกข์ทั้งหมดในคาถา อะไรนะคถาเทสน า, าระก็อาศะธาทีนวตานิสรณัมปิจัพลังอุปายโยจะอนัตติจะพระวัโตโยคีนางเทศนาหาโรเนี่ยนะพันในคาถาเทสนาหาระพระพุทธเจ้าแสดงอะไรอสาศธาอาทีนวานิสรณะผลอุบายและอนัตมีหกคำนะอาศะธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายและอนัตเนะ น, น, น, นี่ยนะอนัตอนัตคือคําสั่งพระพุทธเจ้าสั่งเราว่ายังไง ถ้าเธอปฏิบัติเช่นนี้แล้วเธอจะพ้นไปจากทุกเนี่ยนะก็สั่งว่าทุกต้องทําปริญญานะสมุทัยต้องละนะนิโรธต้องทำให้แจ้งมักต้องเจริญเนี่ยนะถ้าตาถ้าเราได้ทำทำเนะจิตของเราเนี่ยนะถ้าถ้าตั้งคําถามง่ายๆว่าเรามีทัศนคติตั้งในสิ่งนี้ไว้อย่างไรเรามีความเห็นว่าทุกควรกําหนดรู้แท้จริงไหมสมุทัยต้องละจริงๆนะนิโรธต้องทําให้แจ้ง มักต้องเจริญถ้ามีทัศนคติที่ดีและถูกต้องอย่างนี้เชื่อเลยว่าในที่สุดทำที่สุดแห่งทุกได้ถ้าเรามีอัธยาศัยตามนี้แสดงว่าเทศนาของพระพุทธเจ้าเราได้รับประโยชน์ถ้าหากว่าเราไม่มีอัธยาศัยตามนี้แสดงว่าไม่มีอุปนิสัยเลยหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะแล้วเราเห็นด้วยแสดงว่าเรามีวาสนาที่จะตัดจะรู้ต่อไป